ก็คงรู้กันแล้วนะว่าธรรมยาตรานี่จะปีนี้จะเริ่มต้นวันที่หนึ่งถึงแปดธันวาเดี๋ยวนี้นะในช่วงสี่ห้าปีหลังก็ใช่วันนี้แหละหนึ่งถึงแปดธันวานะเป็นการเดินธรรมยาตราแต่ก่อนนี่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะบางปีก็ไปเดินพฤศจิกาบ้างแต่ว่าตอนหลังนะก็ กำหนดวันให้มันแน่นอนลงไปธรรมยตราปีนี้นะก็เป็นการจัดที่พิเศษนะเพราะว่าจัดขึ้นเพื่อเป็นอาจรียาบูชาให้กับหลวงพ่อคำเขียนน ะ, ะมีชื่อว่าบูชาครูตอบแทนคุณนะตอบแทนคุณนี่ก็ตอบแทนทั้งบุญคุณของหลวงพ่อแล้วก็ตอบแทนบุญคุณของธรรมชาตินะเพราะหลวงพ่อนะ ท่านสำนึกดีนะถึงบุรคุณของธรรมชาติทั้งในแง่ของการให้น้ำให้อากาศให้ปัจจัยสี่แล้วก็ยังให้ธรรมะได้ด้วยนะอย่างข้อความของหลวงพ่อเนี่ยที่เขียนตรงหน้าโต๊ะหมู่ตามพระพุทธรูปเนี่ยนะก็เป็นการย้ำเตือนให้เราตระหนักว่าธรรมะกับธรรมชาติเป็นเรื่องเดียวกันเราสามารถจะเรียนรู้ ธรรมะได้จากธรรมชาติอาเดินธรรมยาตรานี่ก็เพื่อที่จะรักษาธรรมชาติปลูกให้คนตื่นตัวเรื่องธรรมชาตินะเพราะว่าหลวงพ่อท่านได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติบนหลังเขานี่มาในช่วง40ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะตอานก็เห็นว่าเราไม่ควรนิ่งดูได้นะแต่ก่อนท่านก็เพียงแต่รักษาป่าที่ สุกโตเอไว้นะแล้วก็รักษาป่าที่ภูหลงตอนหลังขนาดเดียวกันก็ปลูกป่าขึ้นที่วัดภูเขาทองด้วยแต่ตอนหลังนี่ท่านก็อยากจะทําอะไรให้มันมากขึ้นนะก็เลยนะจัดธรรมญาตราขึ้นมานะเพื่ออนุรักษ์ทั้งป่าทั้งภูเขาลําห้วยแล้วก็ พื้นดินนะบนหลังเขาวนี้นะที่ว่าปูแลนคาแต่ปีนีนะ้เป็นปีแรกที่หลวงพ่อนะไม่ได้เดินกับเราแล้วก็ไม่ได้มาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแต่ว่าการเดินธรรมยาตราก็ยังเหมือนการเดินตามรอยของท่านอยู่นะเดินตามรอยหลวงพ่อเริ่มเรียรสารต่อจากที่หลวงพ่อได้ทาเอาไวนะ้ปีนี้เราก็จะ ไปค้างแรมกันในป่าตั้งแต่วันที่สองเลยนะไปป่าปรง่งพว้เราเวลาเดินเวลานั่งรถก็คงจะเห็นป้ายนะป่าปรงพันปีนะป่าปร่งพันปีนี่มันคืออะไรหน้าตาเป็นอย่างไรนะนธรรมญาตานี่ปีนี้เราจะไปค้างแรมกันที่ป่าปรงพันปีนะก็ ไม่ใช่ง่ายนักนะที่ธรรมยาตาจะเดินผ่านสถานที่แบบนี้พปกติก็จะข้างแรงตามตามบ้านตามวัดนะจะมีข้างแรงนอกบ้านนอกวัดก็ก็มีที่มอหินขาวนี่แหละนะแต่มอหินขาวมันไม่ใช่ป่านะการคมนาคมก็สะดวกนะแต่ว่าป่าปงนี่ก็เรียกเป็นป่าที่งดงามนะ แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเดินลงเขาไปก็เป็นเส้นทางที่เราไม่เคยไปมาก่อนนะเดินลงเขาจากป่าป่งไปแล้วก็โน่นไปโผล่ที่เกษตรสมบูรณ์ก็เป็นอำเภอที่ธรริธีตราไม่เคยแวะเหมือนกันนะปีนี้เรียกว่าไปสัมผัสกับสถานที่ใหม่ๆนะแล้วก็คืนวันที่หกนะก็จะไปค้างแรมกันในป่านะก่อนที่จะขึ้นมา ที่ต่าภูทองนะต่าภูทองนี่ก็อยู่ตรงข้ามกับป่ามหาวันนะตรงข้ามกับภูหลงนะก็จะได้สัมผัสกับธรรมชาติได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่ได้ชื่นชมทั้งธรรมชาตินะชื่นชมทั้งธรรมชาติแล้วก็ได้มาศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติในใจเราด้วยนะ เป็นโอกาสดีมากที่ได้เห็นเห็นจิตเห็นใจแล้วก็เห็นกายของตัวเองทั้งกายและใจเนี่ยนะมันจะสอนอะไรเรามากมายนะโดยเพราะเวลาเจอความทุกข์เวลาเจอสิ่งบีบคั้นมันจะสอนเราได้เยอะแยะนะแล้วก็ธรรมยาตานี่ก็เป็นโอกาสหนึ่งนะที่จะทําให้เราได้ได้รู้จักกายและใจแล้วก็ได้เห็นธรรมะนะ จากความยากลาบากก็นะเรียกว่าธรรมชาติในตัวเรานะคือในบัญชาติของกายและใจนี่สามารถที่จะสอนทำให้กับเราได้มากมายนะใครยิ่งกลัวความยากลาบากนี่ยิ่งน่าจะมาทดลองเดินธรรมยาราดูบางโรงเรียนนะก็ให้เด็กนักเรียนเนี่ยมาเดินธรรมยารา เพราะว่าเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวมีฐานะนะครูก็คงจะเห็นว่ากลัวว่าเด็กจะรักสบายมากเกินไปนะก็ให้มาลำบากเสียบ้างแล้วก็ทุกทุกปีทุกปีนะเด็กเหล่านี้ก็จะได้พบว่าไอ้ความยากลำบากนี่มันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะลำบากกายแต่ว่าสามารถจะค้นพบความสุข รวมทั้งความสนุกได้ด้วยนะจากความยากลำบากก็ตรงกับที่พระ เ, เจ้าตรัสว่าเนี่ยมาผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบนะแม้ประสบทุกข์แต่ยังหาสุขพบนี่มันหาได้อย่างไรเจอได้อย่างไรนะเด็กหลายคนนะผู้ใหญ่ด้วยนะทีะ่คุ้นเคยกับชีวิตที่สะดขกสบายก็ได้มาพบว่าโออมันก็จริงนะที่พะเจ้าตรัสนะ แม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบธรรมยานตาก็เลยนะเอามาเป็นคําขวัญว่านะแม้ประสบทุกข์ก็ยังพบสุขที่ใจนะแม้ว่ากายทุกข์นะแต่ว่ายังสามารถจะพบสุขได้ที่ใจนะใจเราเนี่ยมันมีความสามารถเยอะเลยนะสามารถจะเป็นอิสระนะจากความทุกข์ที่แวดล้อมอแวดล้อมตัวเราได้ ใจเราทุกคนก็มีความสามารถอย่างนี้นะเพียงแต่ว่าเราจะไม่เคยเห็นได้เคยพบความสามารถของใจเรานะให้ธรรมญตาเนี่แหละที่มันจะเป็นตัวเร่งตัวบ่มนะตัวกระตุ้นให้ความสามารถนี้ออกมาจงกระทั่งทําให้เราได้พบว่าเออนะแม้ร้อนกายนะแต่ว่าใจสงบเย็นได้นะแม้เหนื่อยกายนะแต่ว่าใจเบิกบานได้นะอันนี้ก็เป็น ความอัศจรร์อย่างหนึ่งของใจนะที่เกิดขึ้นได้เพราะอนุอ น, อนิสง์ของธรรมะนะเช่นสติสมาธิแล้วก็ปัญญาก็เชิญชวนนะใครที่สนใจจะไปบําเป็นประโยชน์ท่านช่วยสิ่งแวดล้อมหรือว่าจะไปเป็นประโยชน์ตนเพื่อภาวนาจะไปทั้งตลอดงานหรือว่าจะไปแค่วันสองวันก็ได้หรือว่าไปแค่ฉันเช้าฉันเพลิก็ได้นะ ไปเพื่อให้กำลังใจกับคณะธรรมยัตรา 1- 8นะเริ่มต้นที่วัดภูเขาทองวันที่หนึ่งก็จะเป็นวันที่ครบรอบครบร้อยวันหลวงพ่อคำเขียนที่ท่านได้มรณะภาพนะเราก็จะได้ทําพิธีนะเพื่อในในโอกาสของวันนั้นด้วยนะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นเดินธรรมยัติตรานะเป็นการเริ่มต้นที่เป็นสิริมงคลมากเพราะว่าเหมือนกับว่ามีหลวงพ่อนะเป็นผู้นําพาไป อ่แล้วก็เตรียมรับพร